นิทาเรื่องที่20สพระเจ้าตรีวิกรมเสนไม่ละความพยายามตั้งใจจะทำสิ่งใดแล้วจะต้องกระทำให้สาเร็จจึงกลับมายังต้นอโศกนำศพที่มีเวตาลสิงอยู่พาดาแล้วเดินกลับมาทางเดิมพระองค์ทรงรักษาความเงียบเป็นอย่างนี้ไม่ทรงตรัสอะไรแล้วเวตาลก็กล่าวยั่วยุคขึ้นอีก ราตรีนี้ยังอีกยาวนานฉะไหนท่านจึงรีบร้อนนักหากท่านยังคงดึงดันอยู่อีกก็ลองฟังนิทานสนุกๆจากข้าอีกสักเรื่องจะเป็นไรกะละครั้งหนึ่งมีพระราชานามว่าพระเจ้าจันทราวโรกทรงปกครองนครจิตระกุดด้วยความสงบสุขแต่พระองค์ยังขาดพระมเหสีที่จะมาเคียงคู่ราชบัลลังก์อยู่มาวันหนึ่งพระราชาได้ขี่ม้าออกประพาสป่าล่าสัตว์ พร้อมด้วยลาวไสานาในขณะนั้นพระองค์ทรงเกิดอยากรู้ว่าณใจกลางป่าแห่งนี้จะมีความสวยงามเช่นไรจึงได้เร่งควกมา้าจนลาวเสานาติดตามไม่ทันม้าได้ควบด้วยความเร็วมาเป็นระยะทางกว่า10บโยชนจนกระทั่งถึงทะเลสาบอันสวยงามที่มีน้ําใสราวกับกระจกพระองค์จึงทรงลงจากหลังมา้าแล้วทรงนั่งพักผ่อนอย่างเพลิดเพลินขณะกําลังพักผ่อนอยู่นั้น อดไทอดพระเน פ เห็นสตรีกลุ่มหนึ่งกำลังนั่งเล่นอยู่ที่ต้นอโศกพระองค์ได้สะดุดตากับสาวงามนางหนึ่งซึ่งมีความงามเหนือนสตรีใดที่ห้อมล้อมนางอยู่นางผู้นั้นเป็นใครกันงามดั่งเทพธิดานางนุ่มห่มได้ภาพเปลือกไม้มหมายความว่านางเป็นลูกสาวของฤาษีไม่ได้การละเราต้องเข้าไปถามให้รู้ เมื่อทรงเดินเข้าไปซักถามว่านางเป็นใครนางผู้นั้นก็เกิดอาการเขินอายจนขยับขาไม่ได้พี่เลี้ยงของนางเห็นอาการเขินอายจึงตอบแทนนางว่านางคู่เนี้ยเป็นบุตรสาวของฤาษีกันวะซึ่งอาศรมของท่านอยู่ใกล้ๆนี้เองเจ้าค่ะเมื่อพระราชาได้ยินดังนั้นก็ทรงควบม้าตรงไปยังอาศรมของฤาษีกันวะทันทีพระองค์ทรงบอกกล่าวแก่ฤาษีว่าตนออกมาประพาสป่าล่าสัตว์เพื่อความสาราญพระไทย เมื่อฤาษีได้ยินดังนั้นจึงกล่าวว่าขอให้พระองค์โปรดเลิกเข็นฆ่าชีวิตสัตว์ป่าเถิดทุกชีวิตน่ะยอมรักในชีพของตนเองข้ายินดีทําตามคําขอของท่านข้าสัญญาถ้าอย่างนั้นละก็ข้าจะให้พรแก่พระองค์หนึ่งข้อโปรดเอ่ยมาเถอดเรารักลูกสาวของท่านเราต้องการนางเป็นแม่เหศรีเคียงคู่บัลลังก์ของเรา ท่านจะขัดข้องหรือไม่อืมหากเป็นความประสงค์แท้จริงแล้วข้าก็ไม่ขัดข้องอันใดข้ายินดียกลูกสาวให้กับท่านครั้นเมื่อนางอินทวีวร์รับประภากลับฤาษีผู้เป็นบิดาได้ทำพิธีแต่งงานให้ทั้งสองทำกลางความยินดีของล่าบริวารเมื่อพิธีเสร็จสิ้นลงพระราชาก็นำนางขี่มากลับเมืองจิตตกุฏโดยทั้งสองได้แวะค้างคืนที่ริมทะเลสาบ และได้หลับพักผ่อนกันยังมีความสุขกระทั่งรุ่งเช้าทั้งสองได้ตื่นมาก็พบกับภาพอันน่าสะพรึงกลัวตรงหน้าเมื่อมียักษ์ตนหนึ่งกำลังกัดกินมนุษย์อย่างโหดเข้ยมยักษ์ตนนั้นกล่าวว่าพวกเจ้ารุกล้ำเข้ามาในเขตของข้าพวกเจ้าต้องมาเป็นอาหารของข้ า, าช่วยด้วยอย่าทาร้ายเราเลยปล่อยข้าไปเถอะ เราสัญญานะว่าจะนำมนุษย์อื่นมาสังวยแก่ท่านแทนได้เจ้าต้องนำพรามเด็กอายุเจ็ดขวบในตระกูลบู ด, ดีฉลาดหลักแหลมเมื่อ น, นำมาสังเวยแก่ข้าข อ, ของเด็กต้องจับแขนและขาไว้ราชาต้องเป็นผู้ลงดาบสังหารแต่ท่านต้องนำมาให้แก่ข้าภายในเจ็วันไม่อย่างนั้นข้าจะทำลายอาณาจักรของท่าน พระเจ้าจันทราวโลกทรงให้สัญญายักษ์นนั้นจึงหายไปเมื่อทรงกลับมาถึงนครพระองค์ทรงเรียกเหล่าเสนามาปรึกษาเป็นการด่วนเหล่าเสนาได้เสนอให้พระองค์จ้างนายช่างลอรูปเด็กเจ็ดขวบทองคําประดับเพชรขับลากไปยังเมืองต่างๆเพื่อประกาศหาเด็กเจ็ดขวบที่กล้าหาญสละชีวิตเพื่อพระราชาได้จะมอบเด็กทองคําและสวยร้อยหมู่บ้านให้เป็นการตอบแทน ท่านใดนั้นก็มีเด็กพราหมณ์คนหนึ่งอาสาตนเองไปให้อสูรกินข้าเองข้าจะอาสาเพื่อบ้านเมืองและเพื่อพระราชาข้าจะได้ดําเงินนี้ไปให้แก่พ่อแม่ของข้าที่ยากจนเมื่อพ่อกับแม่ของเด็กพรามทราบเรื่องก็ตกใจมากแต่ลูกชายก็ยกเหตุผลว่าสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงไม่นานร่างกายก็จะเน่าเปื่อยผุพังมีแต่ความดีที่จะยังคงอยู่ จึงขอบาเพ็ญบุญครั้งนี้ให้คนข้างหลายคนทุกจะดีกว่าเด็กพรามผู้กล้าถูกนำตัวมายังป่าเพื่อทำพิธีบูชาไฟถวายแด่ศูน์เมื่อยักรปรากฏร่างเด็กพรามก็ขึ้นไปยังแท่นบูชาแล้วกล่าวว่าขอผลบุญนี้อย่าตกแก่ข้าอย่าได้ทำให้ข้าไปสู่สวรรค์หรือหลุดพ้นแต่ขอให้ผลบุญนี้ไปสู่สัตว์โลก ข้าจะเสียสละตนเองเพื่อผู้อื่นตลอดทั้งชาตินี้และชาติหน้าเรื่อยไปทันใดนั้นเองสวรรค์ก็พลันเปิดออกมีรถแก้วฟ้าจำนวนนับไม่ถ้วลนลอยลงมาทุกคันมีพร้อมด้วยเทพประมุตและเทพธิดาถือพานโปรยบุกผาครั้นแล้วเด็กน้อยก็ถูกพาไปยังท่นสังเวยโดยมีบิดาและมารดาหิ้วแขนขามีพระราชาเตรียมดาบจะลงดาบและทันใดนั้นเอง เด็กพรามก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาดังสนั่นหวั่นไหวทุกคนต่างพังห ง, งายด้วยความตกใจแม้แต่ปีศาจหรือเทพพิดาและเมื่อได้สติทุกคนต่างรีบพนมมือไหว้กุมารด้วยความเคารพราชาท่านคิดว่าทำไมกุมารผู้นั้นจึงหัวเราะออกมาเจ้าจงเอาหูฟังให้ดีนะแล้วเจ้าเนี่ยจะรู้ว่าเด็กนั้นน่ะ หัวรอบเพราะอะไรตามธรรมดาแล้วเด็กที่กำลังตกอยู่ในอันตรายต้องร้องเรียกให้พ่อแม่นะมาช่วยแต่ถ้าพ่อแม่ตายไปก่อนก็ต้องขอร้องให้พระราชาช่วยเพราะว่าพระราชาเนี่ยเป็นที่พึ่งของประชาชนแต่ถ้าพระราชาพึ่งไม่ได้ก็ต้องขอร้องให้เทพยดาช่วยแต่เด็กผู้นี้ไม่เหมือนกับเด็กทั่วไปมีทั้งพ่อแม่พระราชา และก็เทพพญดาอยู่พร้อมแต่ไม่มีใครช่วยเหลือเด็กนั้นจากความตายได้เลยกลับช่วยกันส่งเด็กคนนั้นเนี่ยไปสังเวยให้กับปีศาจหวังแต่ผลประโยชน์ของตนเองให้ตนเองเนีอยู่รอดโดยไม่รู้ว่าอีกหน่อยร่างกายก็ต้องหน่าเปิดอยคุพังไปเหมือนกันซึ่งเป็นการกระทําที่ผิดลูกผิดทางเด็กกู้นั้นรู้แล้วว่าวันหนึง่งร่างกายเขาจะสลายไปเขาจึงสละร่างกายเพื่อผลบุญ เป็นการสละที่ไม่ศูนย์เปล่าการที่เด็กผู้นั้นหัวเราะก็เพราะเลงเห็นว่าอย่างไรเสียไม่มีใครที่จะรอดพ้นกฎแห่งอนิจจังนี้ไปได้ดังนั้นเนะ่เด็กพรามจึงหัวเราะออกมาด้วยความประหลาดใจที่คนเหล่าเนี้ต่างลง้ผิดแล้วก็หัวเราะด้วยความปลื้มใจที่วัตถุประสงค์ของเขาได้บรรลุแล้วถ้าอย่างนั้น ท่านก็ต้องตามกลับไปจับข้าอีกแววเมื่อพระเจ้าตริวิกรมเสนตอบคำถามของเวตาลแล้วเวตาลก็หดระออกมากล้องฟ้าแล้วหายตัวกลับไปยังต้นอโศกตามเดิมคนเราเกิดมาก็ต้องสูญสิ้นไปตามวิถีโลกไม่มีใครสามารถอยู่คงฟ้าได้ความดีเท่านั้นที่ยังคงปรากฏอยู่เสมอ แม้การเวลาจะผ่านไปเช่นไร